ยี่สิบข้อสรุปที่บอกชัดว่าเจริญสติถูกทางทางฉลาดถ้ามาถูกทางต้องฉลาดขึ้นอเรื่อยๆหนึ่งไม่มีคำว่าอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทํา 2. ลมหายใจไม่เคยหยุด และต่างไปเรื่อยๆสามมีกายเป็นหุนให้รู้สึกว่าเหมือนท่อนไม้กลวงสี่รู้ตัวว่าทุกสุขเพราะคิดไปเองมากกว่าทุกสุขเพราะผู้คนอ่า เบือได้แวบเดียวแล้วเห็นความเบื่อจางหายหกฟุ้งซ่านสับสนได้แต่ง่ายจะกลับเข้าทีเจ็ดโลภแล้วเห็นเป็นเงามือครอบจิตแปดโกรธแล้วเห็นเป็นความร้อนพลุ่งพล้านในอกในหัว ลงสำคัญตัวผิดแล้วเห็นเป็นมานบางใจทึบบ้างบางบ้างสิบ 10. โลกโกรธหลงเหมือนผีดูดีๆรู้เฉยเฉยจะหายไปสิบเอ็เห็นโลกโกรธหลงหายจะค้นพบจิตที่สว่าง 12. เห็นกายเคลื่อนไหวแล้วรู้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาสิบสามเมื่อจิตรู้อะไรอย่างเดียวโลกทั้งใบจะกลายเป็นสิ่งเรียบง่ายสิบสี่จิตใหญ่จะเห็นกายเล็กทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกาย เป็นเรื่องเล็กส5บห้าจิตเล็กจะเห็นกายใหญ่ทูกสิ่งที่เกี่ยวกับกายเป็นเรื่องใหญ่ 16. หมีจิตเป็นเครื่องหมายเหมือนฟองสบู่ให้ดูว่าแตกไปเรื่อยๆ1บ็ดดวงจิตที่เล็ก ที่มืดไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องแคร์สิบปดดวงจิตที่ใหญ่ที่สว่างไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องหวงสิบเก้าวิชาตัวเบามีจริงลอยตัวข้ามห่วงทุกข์กันง่ายๆ 20. ยี่สิบ แกลงยังฉลาดขึ้น